<Book> 87. อ, อ, ด, อดีตการของกริยาช่วย modal เราต้องรดน้ำดอกไม้ เราต้องทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์เราเราต้องล้างจานมีเดวิสรคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่าคุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า ชูวเดวิสากไลเนรนคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าชูวเดวิสากมอนูนนใครต้องการลาจากกันเดวิสอดาวใครต้องการกลับบ้านก่อนเดวิสฟรูเอไฮเมนรีใครต้องนั่งรถไฟ เราเราไม่อยากอยู่นานเรเราไม่อยากดื่มอะไรเราไม่อยากรบกวนคุณตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ มีบริษูร์โทรศัพท์ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ mi v o ิษัทแมน d ิตักซ o ่ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้านมีบริษัทให้แมนเวทูรีดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณมีเพน ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซ่ามิเพนซิสแคบิโวลัสแมนดิพิซซ